ถ้าจะพูดถึงของที่มันคู่กันก็ไม่เชิงคู่กันหรอกเป็นสิ่งที่มันตรงข้ามกันอย่างเช่นมีมืดก็มีสว่างมีหิวก็ต้องมีอิ่มมีถ้าอย่างสีางบางทีก็บอกว่าขาวกับดำที่พูดอย่างนี้ก็อยากจะ ชี้ให้เห็นถึงว่ามันมีธรรมชาติที่มันตรงข้ามกันอยู่วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอธรรมชาติเกี่ยวกับการพักตรงข้ามกับการพักเนี่ยก็คือการทำงานพอพูดถึงการทำงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องมีงานโดยเฉพาะ คนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงและว่าธรรมชาติของการทํางานเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอารมณ์ประมาณไหนเราต้องทุ่มเทอะไรยังไงคงไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายละเพราะว่าคงจะเข้าใจกันดีแต่ธรรมชาติของการพักเนี่ยเราก็ก็ทราบกันดีอยู่ก็คืออย่างเราเดินเมื่อยเราก็มานั่ง พักแล้วก็เวลาที่เราได้พักจริงๆก็คือเวลาที่ในช่วงกลางคืนที่เราได้มานอนพักผ่อนร่างกายก็ได้พักเต็มที่จริงๆพอตื่นขึ้นมาก็ได้เวลาของการที่ทํางานไปตามหน้าที่ไปตามปกติ ของกิจวัตรประจำวันที่เรามีแน่นอนการที่เราทำงานยิ่งเราเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่มีสมมติที่เราเรียกกันว่าความเป็นคนดีเราก็จะมีความรับผิดชอบมีความทุ่มเทในการทำงานในหน้าที่ ที่เราได้รับผิดชอบมาถามว่าดีไหมเป็นสิ่งที่ดีมากการที่เรารับผิดชอบในการงานเป็นการที่เราก็มีคุณธรรมไม่ขี้เกียจไม่ขีค้คลานมันก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ควรจะมียิ่งเราทุ่มเทในการงาน ความเอาใจใส่ง่ายง่ายองค์ธรรมหลายๆองค์ธรรมเนี่ยมันก็จะเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิริยะก็ดีไม่ว่าจะเป็นธรรมวิจยะธรรมวิจยะเนี่ยมันก็อันนี้เราก็ใช้ในแบบโลกโลกนะก็คือเอามาใคร่ครวญพินิจพิจารณาไตรตรองในการทางานก็สิ่งเหล่านี้ก็จเจริญขึ้นพอเราทําให้มันจเจริญขึ้นผลที่ได้ก็คือ หน้าที่การงานเราก็ไปได้อย่างดีงานก็สําเร็จรุ่ร่วงไปได้อย่างดีแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าถ้าเรามองคนแต่เพียงธาตุมองแต่เป็นสิ่งภายนอกถ้าเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยสองส่วน ก็คือกายกับใจแน่นอนการที่เราทำหน้าที่ตามกิจวัตรประจาวันของเราในหน้าที่การงานของเราก็ก็คือใช้ร่างกายเราเนี่ยแหละไปทําเอามีความคิดไตรตรองแต่สิ่งหนึ่งก็คือใจของเราก็ต้องทํางานไปด้วยให้มันสอดคล้องกันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสไปว่ามนโนบรพังขงมาธรรมา มโนเศธท่ามโนมายาทาทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วใจถ้าใจดีการกระทําคำพูดความคิดมันก็ดีตามไปด้วยนะเพราะนั้นพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรากระทาสิ่งที่เราพูดที่เราคิดเนี่ยใจเราก็ต้องไปด้วย ไปก่อนซะอีกนำหน้าไปก่อนมันจึงพูดตามคิดตามกระทำตามก็คือตามใจที่มันพุ่งออกไปแล้วมันพุ่งนำไปก่อนแล้วถ้าเราทำงานอยู่รับรับผิดชอบหน้าที่ที่มันมากขึ้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องให้กับการงานเนี่ยโดยมากแล้วมันก็คือเพิ่มขึ้น ถ้าเราลองดูชีวิตปกติเนี่ยประจําวันของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำงานห้าวันวันหนึ่งก็แปดชั่วโมงเป็นอย่างมากแล้วเปรียบเทียบไปเมื่อสัก2 0่0ปีก่อนเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละแต่สมัยนี้นี่อัตรา ส, ส่วนของการทำงานเวลาที่เราใช้ให้กับการทำงานเนี่ยต่อคนต่อวันเนี่ยก็มากขึ้นนะ อาจจะไม่ใช่แล้ละอาจจะเป็น9เป็น10หรือเป็น12ชั่วโมงต่อวันเราก็จะมีเวลาที่เราอยู่กับงานมากขึ้นถ้ามองหรือพูดให้มันกลับกันก็คือว่าเราก็มีเวลาที่เราจะไม่ได้อยู่กับงานเนี่ยน้อยลงลดลงเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับงานมันก็รวมไปถึงอะไรบ้างล่ะเวลาที่เราพัก เวลาที่เราจะงานอย่างอื่นอย่างเช่นให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนฝูงมันก็เป็นงานอีกอย่างนึ่งเหมือนกันแต่เป็นงานที่เราไม่ได้ให้ชื่อมันว่าเป็นการงานแต่ถ้าในทางธรรมะแล้วมันก็คือการงานเหมือนกันเพราะว่าการงานในทางธรรมะเนี่ยศัพท์ก็คือกรรม ะ, ะกรรมะแปลว่าการกระทานี่แหละไม่ว่าเราจะทำอะไร ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้กระทำการงานอยู่แต่ผิดเดีว่าเราใช้ศัพท์คาว่าทำการงานก็คือหน้าที่การงานหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ในอาชีพแต่ทีนี้ถ้าเรามองให้มันทั่วไปหมายความว่าไม่ได้แบ่งอะไรไม่ว่าเราจะทำอะไรอะไรก็คือเราก็ทำงานอยู่เป็นการงานของ ของร่างกายของใจของเราเนี่แหละไม่ว่าเราจะไปอยู่กับเพื่อนใจเราก็ไปแล้วไปก่อนตัวเราก็จึงไปตามจึงพูดจึงคิดเพื่อง่ายกิจกรรมที่เรามีอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันนีก็ใจเราก็ต้องไปคลุกคลีคลุกเคล้าอยู่ด้วยแต่พอบางกิจกรรมเนี่ยที่เราอยู่กับเพื่อนก็ดี ไปทานข้าวสังสรรค์กันเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ยินดีเป็นอารมณ์ที่น่า ย, ยินดีเป็นอารมณ์ที่เราชอบพอเราก็จึงรู้สึกสบายใจเราก็สบายเพราะเราได้เสพอารมณ์ที่เราพอใจเสพพัฒนาทางภายนอกที่เราพอใจแต่พอเราโยกับการงานแน่นอนว่ามันก็มี ปัญหาหน้าที่ที่เราจะต้องคิดต้ององคอยแก้ไขมันก็เป็นภาษาที่ไม่น่าจะสบายเท่ากับอันเมื่อกีน้นี้ความตึงเครียดความเครียดมันก็จะสั่งสมขึ้นไม่ว่าจะทางร่างกายก็ดีทางจิตใจก็ดีก็สั่งสมไปแล้วเรามีเวลาไหนนะที่เราจะเอาออกก็คือหลังเลิกงา น, นงเลย แต่แต่ละคนแต่ละคนก็มีวิธีที่จะเอาความเครียดลดความเครียดลงจากการงา น, นไม่เหมือนกันบางคนก็ไปดูหนังบางคนก็ไปฟังเพลงบางคนก็ไปใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบางคนก็ไปไปเที่ยวไปสังสรรค์ตอนคืนแล้วก็บางคนก็อาจจะชวนกันไป ทำกิจกรรมอะไรที่มันไม่ไม่อยู่ในข่ายของการที่สีเราจะบริสุทธิ์ได้ก็มีแต่สิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นสมมติที่เราชอบนั่นแหละเป็นภาษาที่เราชอบเราก็จึงรู้สึกว่าเราเสพสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะดีในทางรรมหรือไม่ดีในทางรมแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เสพเสพเพื่อเราจะได้รู้สึกยินดีพอจิตยินดี เราก็รู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายจากความเครียดจากการงานที่เราได้สะสมออกมาพูดวกไปวนมาเวียนไปเวียนมาเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าอยากจะพูดว่าอยากจะบอกว่าที่เราทำเนี่ยางานที่เราทำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราต้องส่งใจออกไปด้วย ปกติแล้วเนี่ยคนเราเวลาทํางานก็คือใจเราก็ต้องไปก่อนอย่างที่ว่าใจเราก็ต้องมุ่งไปคิดมุ่งไปทํายิ่งเป็นคนดีด้วยเนี่ยใจส่งไปเต็มร้อยเลยเต็มร้อยมันเป็นเรื่องที่ดีไหมล่ะส่งไปเต็มร้อถ้าตามสมมุติแล้วเนี่ยมันก็ดีแน่นอนว่าเรามีความเอาใจใส่มีความทุ่มเทเราก็ มีสมมติกับการที่เราเอาใจใส่และทุ่มเทยอย่างนี้เป็นสมมติที่ดีเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราเป็นคนดีแบบนี้แน่นอนว่าการทำงานเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราได้ผ่อนคลายได้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาได้แต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราทำงานมากๆากํทำงานหนักๆเนี่ยเราก็รู้สึก ทำให้ร่างกายเราก็ภายนอกเนี่ยก็เพลียก็สุดโทรมไปแน่นอนแต่ส่วนหนึ่งก็คือใจเรานี่แหละใจเราที่ทํางานไม่หยุดไม่หยุดเนี่ยร่างกายเราอ่อนเพลียร่างกายเราสู้ไม่ไหวเนี่ยใจเราก็เหมือนกันนะใจเราก็จะสู้ไม่ไหวเหมือนกันแต่บางครั้งร่างกา ย, ยมันสู้ไหวแต่ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยจริงๆแล้วใจบางครั้งมันต้องการพักผ่อนด้วย เพราะนั่นการที่เราทุ่มเททำงานอย่างเดียวเนี่ยโดยลืมลืมที่จะมองย้อนกลับเข้ามาสำรวจจิตใจเนี่ยว่าสภาวะจิตใจของเราตอนนี้มันอ่อนแอไหมหรือว่ามันแข็งแรงอยู่ถ้าเราลืมมองย้อนกลับเข้ามาเนี่ยเวลาเราที่ลืมมองอย่างนี้เนี่ยเราก็จะทำกิจวัตรไปกิจวัตรไป ก็เหมือนคนที่ทำงานทำงานทำงานไปอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เกิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยป่วยแล้วไม่ไหวแล้วต้องไปหาหมอหมอก็โอ้คุณป่วยมากป่วยมากนะควรจะแอดมิดพักผ่อนสองวันสามวันก็ว่ากันไปใจเราก็เหมือนกันถ้าเราลืมสำรวจลืมที่จะดูมันพิจารมันอยู่เนี่ย พอมาเจออีกทีนึงเนี่ยก็เหมือนคนป่วยนั่นแหละป่วยแล้วต้องการได้รับการพักผ่อนอย่างเร่งด่วนแต่ที่ที่สำคัญเนี่ยเราก็หาวิธีการพักผ่อนให้ใจเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องไม่ค่อยถูกหลักที่มันควรจะเป็นโดยทั่วไปก็คือเราก็หา รูปรสกลิ่นเสียงมาเติมก็คือหาอารมณ์ที่น่ายินดีน่าพอใจมาเติมให้รู้สึกว่าใจได้ผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เหมือนแค่เหมือนเป็นการที่เราเอาขยะไปซุกไว้ใต้พรมมันได้เป็นแค่การบรรเทาแต่มันไม่ได้เป็นการที่ที่จะช่วยได้อย่างเต็มที่ถ้าเปรียบเหมือนว่า เราเหนื่อยเราต้องการที่จะนอนพักผ่อนถ้าเราได้นอนพักเต็มที่เนี่ยตื่นมาก็สดชื่นร่างกายก็ได้ฟื้นฟูเต็มที่แต่ถ้าเกิดเราเหนื่อยมากร่างกายมันเพลียมากแทนที่เราจะไปนอนพักเรากับนั่งมันก็อี้หลับหรือว่าฟุบอยู่กับบนโต๊ะหลับถามว่ามันได้พักผ่อนไหม ก็ได้พักผ่อนเหมือนกันแต่ถามว่ามันจะสดชื่นและดี mm hmm. เท่ากับการที่เราได้ไปเอ็นกายเหยียดตัว hmm. ให้มันสบายได้ผ่อนคลายมันจะเหมือนอย่างนั้นไหม mm hmm. ก็ไม่ใช่ชั้นใดก็ฉันนั้นคนเราก็หาวิธีที่จะพักใจเนี่ยไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกเหมือนกันแล้วก็เวลาที่เราทำงานเนี่ย ทำงานมากมากซะจนไม่สนใจเลยว่าเราจะได้พักใจไหมใจเราจะได้รับการพักผ่อนไหมถ้าเปรียบเทียบเหมือนในนิทานธรรมบทเนี่ยก็คงจะเหมือนพระส ม, มชนะเถระนี่แหละพระส ม, มชนะเทระเนี่ยบวชมาก็เป็นคนขยันขยันมากตรงไหนของวัดเนี่ยมีความสุขปอกเนี่ ก, กวาด ตอนนั้นกกวาดตอนนี้ก็กวาดกวาดมาทั้งวันแล้วก็มีวันหนึ่งก็เห็นพระเรวตานั่งทําสมาธิอยู่ก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊ะพระองค์นี้นี่ไม่ขยันเลยเสนาาสนะตรงนั้นตรงนี้ก็ยังสกปลกอยู่หมายถึงว่าส่วนรวมนะไม่ใช่กุฏิท่านก็ไม่เห็นมาทำความสะอาดเหมือนเราเลยเพอท่านเรวัตานี่ ไอ้าบก็เลยเรียกพระสมชานะเนี่ยมามาไต่ถามดูก็เลยคุยให้ฟังว่าธรรมดาของผู้ประพฤติธรรมเนี่ยกวาดหรือทาความสะอาดเสนาสนะเนี่ยตอนเช้าแล้วรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ควรจะเอาไปทำความเพียรนะพอตอนเย็นก็ค่อยมาปัดกวาด ในเวลาที่เหลือช่วงกลางคืนก็ค่อยเอามาทาความเพียรอีกท่านก็ปฏิบัติตามนะสุดท้ายก็พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็ได้บรรลุอรหันต์ถ้าปเปรียบเทียบเนี่ยก็คือเราทำงานแต่ภายนอกแต่เราลืมที่จะมาทางานภายในใจเราก็ต้องการได้พักต้องการที่จะ มีความก้าวหน้าก็คือความสงบเกิดขึ้นให้ใจมันได้สบายพอใจที่มันสงบสบายพิจารณาได้เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางได้มันก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นไปพูดง่ายๆก็คือใจของเราก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นแต่เราทํางานแต่ภายนอกอย่างเดียวเลยลืมที่จะให้ใจได้พักก่อน ก็คือมาเข้าสมาธินี่แหละหรือลืมที่จะมาทำงานภายในคือการที่เราเข้าใจสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างตามความเป็นจริงให้ใจเราได้เข้าใจตามความเป็นจริงให้ได้ปล่อยวางได้ให้ใจเราสบายได้ความสุขที่เราได้จากการที่เราทํางาน เราได้รับความชื่นชมงานเราก็เสร็จได้อย่างดีให้เราได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งในสายตาของคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องเป็นคนดีในสายตาของของในภายในเราด้วยนะว่าถ้าเปรียบเหมือนครอบครัวควรเป็นพ่อควรเป็นแม่ แต่ออกไปทำงานแต่นอกบ้านไม่ดูแลบ้านไม่ดูแลลูกไม่เลี้ยงลูกก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีเฉพาะนอกบ้านแต่ถ้าเกิดว่าทำงานได้อย่างเหมาะสมถึงเวลาเลิกงานก็ทำงานให้มันพอดีมีเวลาให้กับครอบครัวได้กลับบ้านมาคุยกับลูกได้มามีกิจกรรมด้วยกันถาม สารทุกสุขดิบได้อบรมได้สั่งสอนก็จึงขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีภายในบ้านด้วยฉันใดก็ฉันนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีทั้งภายนอกด้วยแล้วก็ต้องเป็นคนดีให้กับในภายในเราด้วยเราอย่าลืมความเป็นคนดีให้กับตัวเองด้วยเพราะในภายในของเราก็ต้องการความเจริญก้าวหน้าเหมือนกัน เราอย่าไปเสพงานเสพสิ่งภายนอกจนทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาดูแลจิตใจของเราเองจิตใจของเราเป็นสิ่งที่มีค่ามากมีค่ามากที่สุดของเรามันไม่ได้มีค่ามากกับใครแต่มีค่ามากที่สุดกับเราเพราะว่าจะทุกข์จะสุขก็เป็นของเราโดยแท้เวลาที่ใจเราเศร้าหมอง หมดจักรอัตภาพนี้ถ้ามันส่งผลมันก็พาดเราไปทุกติตถ้าใจเราผ่องใสหมดจากรภาพนี้เราก็ไปสุขติได้เพราะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆของเราเราอย่าละเลยโดยไม่ให้ความสําคัญกับมันไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาเพราะนั้นเราต้องหาเวลาทาให้มัน ควบคู่กันไปได้งานภายนอกกับงานภายในมันไม่ใช่ว่าต้องแยกกันมันควรจะต้องทำคู่กันเพียงแต่ว่าเรายังไม่คุ้นชินเราคุ้นชินแต่การที่เราทำงานภายนอกแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานภายในเราคุ้นชินแต่แบบนี้มาไม่รู้เป็นกี่สิปีแล้วแต่ถ้าเราไม่เริ่มไม่เริ่มที่จะหัดไม่เริ่มที่จะทำมันก็จะไม่ดี ไม่พัฒนาไม่เจริญก้าวหน้าแล้วสิ่งหนึ่งที่คนเริ่มที่จะทำเนี่ยก็มีภาพวาดหวังไว้อย่างดีตัวนี้ก็จะมากลายเป็นเป็นขวากหนามเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากมันยากไม่อยากทำต่อเพราะฉะนั้นเราก็แค่ว่า พยายามทาไปอย่าไปดูผลมันตั้งหน้าตั้งตาทําถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ดีเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทาไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เขาทําได้มีอยู่เป็นเครื่องการันตีให้เราเห็นอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําไปตั้งใจทําไปมันต้องได้เหมือนเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีศรัทธาว่า ผลที่ได้เนี่ยมันมีแน่นอนเราก็จึงตั้งหน้าตั้งตาทาไปได้อย่างไม่ล้มเลิกเพราะผลที่ได้เนี่ยมันค่อยๆเริ่มปรากฏจนเรารู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นทีนี้ศรัทธาเราก็จะเพิ่มมากขึ้นแหละเราก็จะมีกรจิกกระใจมีแก่ใจที่เราจะทํางานภายในให้มันดีขึ้นให้มันละเอียดขึ้นให้มันเจริญขึ้นได้มากกว่านี้ทีนี้พอเราเห็น มันจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเราก็จึงรู้ความพอดีของใจของเราว่าภายนอกเราควรจะทำเท่าไหร่เพื่อที่จะดำารงงานภายในของเราเนี่ยให้มันควบคู่กันไปได้ด้วยความเป็นคนดีในภายนอกเราก็ไปได้ความเป็นคนดีในภายในเราก็เดินไปคู่กันเราก็เป็นคนดีให้กับสังคมภายนอก ให้กับคนรอบข้างของเราและเราก็เป็นคนดีให้กับตัวเราเองด้วยจึงจะขึ้นชื่อว่าเราดำเนินตามทางในสิ่งที่พระพุทธองค์เนี่ยได้วางแนวทางเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะย้ำเตือนท่านฟังให้เห็นคุณค่าของจิตใจให้เห็นคุณค่าของใจ ที่มันได้พักผ่อนที่มันได้พักแล้วก็ได้กลับมาทำงานในภายในด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีความชำนาญในงานของภายในแต่เราก็อย่าลืมอย่าลืมที่จะหาเวลาที่พักใจให้ใจได้พักโดยการที่เราได้วางวางงานข้างนอกเอาไว้ ไม่ให้ใจเรามันไปคลุกไม่ให้ใจเรามันไปยึดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยทำอยู่ตลอดเวลาเลยกลับมาบ้านก็ใจก็ยังผูกกับ ง, งานอยู่เข้าบ้านก็เอางานเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจเราได้พักจริงจริงหมดเวลางานก็วางงานเอาไว้ด้วยให้ใจเราได้พักจากงานให้ใจเราได้พัก ให้ใจเราได้มีความสงบให้ใจเราได้พักอยู่ในความสงบจริงๆใจเราจึงมีกำลังที่จะเอาไปไปทำงานภายนอกได้อย่างดีด้วยเพราะนั้นวันนี้พูดถึงงานแล้วก็พูดถึงการพักเพราะนั้นการพักก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่ว่าไม่สำคัญ คนเราจะทำงาน24ชั่วโมง3าชั่วโมง48ชั่วโมง72ชั่วโมงก็ตายแน่นอนถ้าไม่ได้พักถึงขีดขีดนถึงจุดๆ1งต้องตายถ้าไม่ได้พักเพราะฉะนั้นการที่เราทำงานเป็นสิ่งดีแต่การที่เราไม่ได้พักเลยเราก็จะทนไม่ไหวเพรา ะ, ะนั้นงานการทำงานเป็นสิ่งสำคัญการพักก็จึงเป็นสิ่งสาคัญไม่แพ้กัน เพราะนั้นอยากให้ท่านฟังเนี่ยบริหารการพักของตัวเองทั้งกายก็ดีทั้งใจก็ดีให้ได้อย่างสมดุลเพื่อที่จะทำให้ใจของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีพอไปได้พอที่จะทำให้เราเนี่ยไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้